มาเป็นนักภาวนาแล้วข <c oughs> ่วมไผ่ข่วมปว่วยคนเจ็บอย่ายานมันเด้อมาฮัดเป็นนักภาวนาย้ายยายอ ย, ย, ย่ายนคนเจ็บข่วมป่วยหัดฮัดอย่าให้มันย่านมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาเว้ยจันคือจังเข้าย่านพี่หลอกนี่ละ่ะมันเข้าวางใจเข้ามัน เขาว่ามันมี่สีเพราะันี่ที่หลอกยากเข้าไปเข้ามายืเรื่อยๆนีเหตุแตเป็นได้ไปอ่านั่นะยืนเรื่อยๆไปมากแล้วมันลึง่งนั่นเอมันคยขิ้นยับเป้นเนี่มั่ว่วยมันธรรมดาสิว่าบมีหยังสอราั้นมันเต้าความเ็บใครได้ควยคื่อกันหละมันบอมีมีแต่เฮ้าดอกผู้อื่นแต่นีมันฝาก Hit, เจ็บปากควยไปอ well. ีกคุณเท่ากับจิตหอดเท่ากับิเถึงอยู่ไอ้คือว่าเจ็บควยเนี่ยเท่ากับรักษานี่ยล่ะแต่ว่าบ er ริายานรักษาอยู่บริยานเนี่ยล่ะรักษาไปไอ้คือคิดยืดๆคิดยืดๆคิดยืดๆคิดยืดๆแล้วมันจิตค่อยสวนมันจิตค่อยมันจิติ้นสิ้นกับพ่วงคิดแนวนี้ เป็นยั้งกับพ่ อ, อยูได้บับดบบบบว่าคืดว่าย่านว่าบาดบ่ากลัวนั่งก้นเป็นยั้งแน่เล็กๆหน่อยๆเราญาติไหลเลยแต่หาอยู่หายาเอียงมาจิ้มเติ ม, มบุ๊คเพราว่ามีหมออันอะไรใส่หมอผีหมอยั้งกับไปหาเขานี่เลยเดี๋ยวจะเอาโลกโลกใหม่มาซื้อมัน คณะนันเกเชื้อเป็นโลกเพราว่าไม่มีหมอยาดีอยู่เลยไปเอามากินออกยานหลายเอามากินเอามากินเอามาใส่เอามาพ้นเอามาท่าไปมาไปได้โลกอีกหน้นึงตึงเพราะว่าอุ่นแรงโกเกาก็อบาท่นหายบาดเเศ้าได้โลกไหมไมาอีกอีสิบธิ์หนี่เือว่าคันเท้ายานโวดนหฮะนังเชื้อเพรามันเพามันหลงช่างเด้วย ลงท่ากพใเช่าว่าหนึ่งตั้งสี่อหื่นมันมันบริเนติเกอสันได้มันบรินติเกอร์สัยานมิสันมันเป็นไทยเป็นป่วยมากกว่คนว่าหอซ้อมมีสังเกตมึงมันห่วยมันมาเต็นทับวางไรสูมันเต็นกับแกงกับคาแบบทับซ้อนกับใส่ว่ามันเป็นซัมจูไดโบนฮัดล่อง สู่ก็มันมั่งได้ร่องอดล่องทนรองอดล่องทนแวนวตะวันนี่ก็ร่องอีกบันีล่องคุดเป็นสี่มึงน้าคิดอะไรไม่รู้ ต, รตัวก็ยุ่พอตัวเฮาก็ยุ่งพอเฮาเฮากับประเดมักคิดเห็นครับเน็่เป็นทุกข์เป็นป่วยเนี่ยเฮาไปอยากป่วยยากเถื่อตัวหัมาามากอ้าวตัวมากสชีไม่จองเอาอออกไปเดือดร้อนนําพนี่ ว่ามันบมแมนหน้าอยู่ไผอยู่มั่นหน้าอะไรอยคงนีฮี่ฮัดคือจิตสี่นําฮัดคือวาลางสายมันกิดเป็นนาทีพุงมันมันมีนาทีป่วยไม่ก็ป่วยไปตามนาทีมันเข้ากับอยู่เพระเข้าแมมป่วยก็ตามพราะมันแหละเห็มันป่วยละเข้ากับอยู่เพราองไรอย่างนี้นี่เฮ็ดได้บ่อเฮ็ดจิตสี่ใจฟึ้งไปเรื่อยเดยอันดนๆจังไมาคืดยังไม่เฮ็ดเครือเ่ยโอ้ยมันเฮ็ดอะไรแลอก มันต้องฟุกอยู่เรื่อยๆพี่จังเขาเที่ยวช่างนี่แล้วเที่ยวดาเือต้องเรือนี่ยมันสิดแสนบอกพี่ก็ต้องเที่ยวดูดเที่ยวฟ้าให้เที่ยวมาเที่ยวไปเพรว่ามันแปนถนนนั่นหอดน้ำหอดในกระโปนี่มันดีมาก น, นั่นแหะอือเฮ้เฮ้าภาวานาภาวนาเป็นวาหัดขํามข้มสงอบอย่างนึงล้วก็ฮัดพิจิรนาอีกอย่างนึง อันเท่าพิจหน้าบวกเป็นก็ว่าเป็นอย่งเช่นน้อยกับรถดิลมดีสายมันบวกข้อดีตายกับรถใจจะค้องย่านไหลจนลอยต่ายก้อนเงินมันเป็นเรื่องปกติของมันย่ดอกอันเท่าคือรั้นเป็นเรื่องปกติได้ใหญ่เครือมันจะแ่วบอมเป็นปกติมันจะป่วยไหลายกับปกติปวเหากับปกติจริงๆมันกับขอข้อสูงยุดอกข้อสูงยุเนี่ยบัดคืดไปหอดบัด ทุกทายเนี่ยเป็นยังไงล่ะทุกคนทุกคนคือแง่อดเนี่เป็นยั ง, ง, ยงมันมีลังคนมันมีลังคนอยู่บ่มีนจะมันนี่จะคนอยู่บ่มีลังคนอยู่บ่อันมันเหลือมันบอ่อตาย น, นี่บ่อข้าวตอขึ้นไโหลดเนี่ยอ๋อกูสะตายยึดียมตายไปโหลดกเกมตายไปโหลดขันเัพเกมไปแล้วมีอยังมันบ่ยยากเลยขันทัพเด็ ก, เกียมไลยพร้อมเลยบอ่อยากจังแนว เจมส์เาเดินทางเดีเราเตรียมหอเขาแล้วเนี่ยเวยบริย่าจบเตรียมผ่าเตรียมคันเตรียมพิงเตรียมค้องความแล้วอเขาก็เอาแล้วเนี่เพราะว่าไปไปเดียเดินทางก็เลยไปโหลดเนี่ยบ่ยาเขาเดือดร้อนเนี่ยบแรหาคุณหาผีเนยผีเด้อพิอาพาพอพจารณาคนเสพใครได้รวยมีสุขสค้นอ่างละมันบ่มีหรอบางคนก็ว่า ของสบายดีนี่จะพูยอยูน่นั่งข้างทางขานกัน ค, ค่อยๆควณพูดแล้วกันค่อยลุกนั่นลุกนี้อยเจ้าของท่านแง่ป่วยไม่ซ่อมก็ได้ขันมาซ่อมกันมันเงินไปขันมาคิดหอดคิดเห็นมันเป็นโพโวม่เค ใ, ใจอะไเลยดีหรือตายอะไร